วันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ผ่านไปอย่างเร็วนะเมื่อวานก็ผ่านไปวันนี้ก็กําลังจะหมดวันไปมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งถ้าเรามีกิจกรรมที่มันเร่งรีบด้วยแล้วเนี่ยเวลายิ่งเหมือนเดินเร็วมากขึ้นเลย เพราะฉะนั้นมันจึงมีคําที่เปรียบเลยไว้นะว่าการเวลามันก็กลืนกินสรรปสัตว์แต่ถ้าเราไม่คอยที่จะมีสติตั้งความไม่ประมาทเอาไว้เนี่ยเวลามันก็หมุนไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลาที่เรามีมันก็จะใช้จ่ายไปเรื่อยเรืเ่โดยที่ ความคุ้มค่าจากการที่เราใช้จ่ายเวลาไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์ได้มากน้อยเท่าไหร่อาจจะเกิดประโยชน์ในทางโลกมากแต่ไม่เกิดประโยชน์ในทางธรรมเลยก็มีซึ่งคนที่เขาไม่ประมาทเนี่ยเขาก็ต้องประคับประคองไปประโยชน์ในทางปัจจัยสี่ในทางสมมุติหาอยู่หากินเขาก็ต้องประคับประคองไป แต่สิ่งที่เขาไม่ละเลยก็คือการงานภายในอันนี้มันจะเป็นงานของจริงเป็นงานของแต่ละบุคคลจริงๆมันเป็นงานที่มันจะนำพาเราไปถ้ายังมีการเกิดอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นการงานที่จะพาเราไปสุคติเป็นการหลีกหนีจากทุคติ นี่ก็ไม่กี่วันแหละแล้วก็ถึงวันวิสาขะวิสาขาบูชาก็เป็นวันที่ตรงกับวันประสูตรตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานใช่ไหมแต่ส่วนมากพอพูดถึงวันวิสาขาบูชาเราก็จะนึกถึงการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธองค์นี่แหละ พาจากการที่ได้ทรงออกผนวดสแสวงหาโมกธรรมมีทางดำเนินอย่างไรบ้างประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้างแล้วก็จนได้มีความรู้แจ้งเห็นธรรมตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นวันที่ช น, นะหมู่มารได้เอากิเลสออกไปจากใจไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในจิตใจต่อไปส่วนมากบางที่เราก็จะนึกถึงแต่ตอนประสูตินั่นแหละแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องไม่ลืมที่จะคำนึงเพราะ เป็นวันเดียวกับที่พระองค์ปรินิพานด้วยแล้วคำสอนก่อนที่จะปิดพระโอษฐ์แล้วก็เข้าสมาธิเพื่อที่จะเตรียมปรินิพานก็เป็นการตรัสครั้งสุดท้ายเป็นการกั่นกรองธรรมะที่มาแสดงให้กับหมู่สัตว์เป็นครั้งสุดท้าย แล้วก็ธรรมะที่พระองค์ได้กลั่นกรองมาแล้วก็ตรัสเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็คือวิยธรรมมาสร้างฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทะขอเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทก็จึงเป็นหลักธรรมรวบยอดสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องนำมาระลึกอยู่ในจิตใจให้เป็นคุณสมบัติของจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมาแต่เริ่มนั่นแหละ ถ้าเกิดเอาเริ่มต้นต่อจริงๆก็ตอนตอนู้นน่ะตอนเป็นสุมเมธาดาบทนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยบุญบา ร, รมีที่สั่งสมมานี่จะเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ถ้าได้ฟังธรรมตอนนั้นแต่ก็มีความปรารถนาขึ้นมาในจิตใจซะก่อนมีความปรารถนาที่จะเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังก่อนแล้วก็ได้รับคำพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขกับแสนมหากับเนี่ยก็จะได้เสด็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วก็มีพระนามว่าโคดม ซึ่งค่ำคืนวันวิสาขานั่นแหละวันเพ็ญเดือนวิสาขา์ก็เป็นค่ำคืนที่เป็นการเกิดเป็นการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าโคดมแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเจ้าชายไงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ทรงเห็นภายในวัฏฏะ ก็จึงออกแสวงหาโมกธรรมออกแสวงหาเครื่องหลุดพ้นเพื่อที่จะช่วยหมูสัตว์บนโลกใบนี้ช่วยอะไรช่วยให้พ้นจากทุกข์นี่แหละแต่ในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือนวิสาขานี้ก็เป็นค่ำคืนที่ นอกจากจะตรงกับวันเกิดแล้วก็เป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นการเกิดในรูปแบบของวิชาคือความรู้เป็นการเกิดของคุณสมบัติคุณธรรมที่เรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนี่แแต่กว่าจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมกว่าจะได้นำมาแจกแจงแยกแยะแล้วนำมาแสดงแก่หมูสัตว์เนี่ยพระองค์ก็ดำเนินบนเส้นทางที่ไม่ได้ราบรื่นอะไร จะมีครูมีอาจารย์ก็เป็นอาราลดาบทอุตกะดาบทสององแต่สุดท้ายก็เป็นความรู้ที่ไปร่ำเรียนแต่มันยังทำให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ก็จึงได้แสวงหาทางเส้นนั้นด้วยพระองค์เองผิดบ้างถูกบ้างสลับไปสลับมา แน่นอนแหละมันก็ต้องมีผิดเยอะกว่าถูกใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันถูกต้องอยู่ตลอดเนี่ยก็เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาได้ง่ายๆแล้วแต่มันจะมีทางเดินแบบไหนมียังไงก็ได้ทรงทดลองไปเปหมดแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่คนไม้ไม่ว่าจะเป็นไม่ข่มเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นห่ม ผ้ากรรมพลไม่ว่าจะเป็นการห่มที่แบบเอาพวกเกษกัมพลานะผ้ากรรมพลที่ทำมาจากเส้นผมบ้างห น, นึ่งนุ่งห่มเปลือกไม้บ้างที่ทำไปก็เพียงเพื่อแต่หวังว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะบรรลุสัมมาสัมโปวิยานไม่ว่าจะเป็นการที่รับ อาหารจากคนทั่วไปแต่ไม่รับจากคนท้องอย่างนี้เป็นต้นหรือไปบริโภคแต่มูลของลูกโคอ่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ด้วยความมีความเข้าใจว่าด้วยทางเดินเช่นนี้เช่นนี้จะนำพาพระองค์ให้บรรลุถึงสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่ด้วยความละเอียดละออที่พระองค์ทรงตั้งพระไตยเอาไว้ที่จะศึกษาหาความจริงหาเส้นทางของการหลุดพ้นจากวัตะสงสาร น, น, นี้ก็จึงคอยสังเกตนแหละว่าเหตุอันนี้แล้วที่ทำไปเนี่ยผลที่ได้เป็นยังไงแล้วมันทำให้ถึง เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่าซึ่งพอทำไปแล้วมันก็สรุปได้นแหละว่ามันมันไปไม่ได้ไปไม่ถึงคนละเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนอดข้าวเป็นหลายๆวันกินทีละน้อยละน้อยกินจนนูน่นเหลือเท่าเยื่อตัวพลว กินเหมือนไม่กินนั่นแหละว่ากันเถอะแต่มันก็จะต่างจากที่ครูบาอาจารย์สมัยนี้ท่านอดอาหารผ่อนอาหารนะก็คนละแบบซึ่งตอนนั้นพระพุทธองค์เนี่ยทรงอดอาหารด้วยความมุ่งหวังเพียงอย่างเดียวว่าการอดอาหารนี้ยิ่งอดเท่าไหร่จะเป็นการลดทอนกิเลส ออกไปซึ่งมันยังไม่ใช่เหตุยังไม่ตรงกับเหตุมันยังไม่ตรงกับมรกเส้นทางของมรกแต่พอพระองค์ได้เห็นแล้วเนี่ยว่าเส้นทางนี้มันยังไม่ใช่แหละก็จึงโล่ใหม่โล่กระดานเลยว่าเส้นทางที่เราเคยเดินมาเนี่ยมันยังไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่ แล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนล่ะกิเลสมันอยู่ที่ใจนี่ใจดวงนี้แหละที่มันคอยเวียนว่ายตายเกิดไปถือพบถือชาติใหม่ไปถืออัตภาพใหม่อัตภาพที่เป็นกายหยาบก็ดีกายละเอียดก็ดีก็มีใจดวงนี้แหละที่มันคอยถือครองเพราะฉะนั้นเราต้องบําเพ็ญเพียรทางใจสิมันถึงจะถูก ก็นึกถึงนู่นแหละตอนทำสมาธิสมัยเด็กๆจิตใจปลอดโปรง่งเบาสบายก็จึงได้เห็นว่าความสุขทางใจความสงบทางใจเนี่ยเส้นทางนี้ต่างหากที่เราควรจะดำเนินไปเส้นทางนี้เราทรมานตัวเองทรมารร่างกายทำอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ ไปกระเทือนถึงกิเลสในใจเลยแต่กับการที่สมัยเด็กๆได้นั่งทาสมาธิมีจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจจิตใจได้ปลอดโปร่งเบาสบายด้วยความสงบระงับของกิเลส น, นี่แหละเป็นทางเดินที่เราควรจะดำเนินทางนี้การบำเพ็ญเพียรทางใจ เพราะฉะนั้นก็จะเอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ให้ใจพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิกิเลสมันก็ยุบย่อลงไปความสบายใจก็เกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นจิตมีกำลังมีสัมมาสติก็กลายเป็นสัมมาสมาธิ จึงเกิดยานอย่างรู้ขึ้นรู้อะไรก็รู้เกี่ยวกับปุปเพนิวาสานุสติก็คือมีสติระลึกรู้อดีตชาติได้ก็เตเห็นนั่นแหละว่าเราเนี่ยเวียนไหวตายเกิดมามากน้อยเท่าไหร่ไปเกิดเป็นอะไรสูงบ้างต่ำบ้าง มันก็ควรแก่การที่จะเพียงพอนั่นแหละเพียงพอได้แล้วที่จะไม่ต้องไปเกิดอีกนะแล้วความรู้ญาณคือความรู้ก็เกิดขึ้นอีกอีกครั้งหนึ่งเป็นญาณความรู้ที่รู้ว่าไอ้ที่เราไปเกิดสูงสูงต่ํต่เนี่ย สูงบ้างต่าบ้างไปเกิดเป็นอันนี้บ้างได้รับการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะกรรมอะไรเพราะกรรมอะไรเหตุอะไรจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เห็นนั่นแหละได้รู้นั่นแหละมันก็มาจากความไม่รู้ของใจนี่แหละก็จึงได้ละตั้นหาคือความทะยานอยาก ในใจลงไปเพราะว่ามันมีตัณหามันจึงมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นพอเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ไม่ไปถือภพถือชาติอีกไหนไหนแต่การที่เรามีตัณหาทาให้เกิดอุปาทานได้เนี่ยมันก็มีตัวบงการอยู่ก็คือความไม่รู้ ความไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันเนี่ยมันก็นำพาไปให้เราเห็นถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารทแท่งแท้ความหน่ายก็จึงเกิดขึ้นในจิตใจความหน่ายเกิดขึ้นความไคลกัณฑ์ก็เกิดขึ้น มันก็จึงได้ละวางปล่อยเว้นเพราะใจมันเข้าใจถึงความไม่มีสาระไม่มีคุณค่ามากพอที่เราจะควรไปยึดถือยึดมั่นถือมั่นยึดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของของเราซึ่งนอกจากเราจะคอยพิจารณาว่ามันไม่มีเรามันไม่ใช่ของเรา ไม่มีตัวตนที่งแท้เราจะพิจารณาให้มันเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามหรือเปล่าก็ทำได้แล้วมันมีสัตว์บุคคลจริงแท้ไหมคนเราเนี่ยเกิดมามันก็เต็มที่ร้อยปีน่แหละร้อยปีก็ต้องคืนสภาพคืนสภาพไป น้ำก็ไปน้ำลมก็ไปลมไฟก็ไฟสุดท้ายก็เหลือดินกองดินกองหนึ่งซึ่งถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็าจะเห็นนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเนี่ยมันก็แค่ช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเราไปเห็นที่เตาเผาศพที่เมเนี่ย หลังจากที่เขาเปิดเมนออกมาเนี่ยมันไม่มีไม่มีคนไม่มีอยู่ในนั้นหละมันก็มีแต่กองขี้เถ้ากองกองดินนั่นแหละมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีคนเป็นอย่างที่ที่เราเห็นเหมือนก่อนเอาเข้าเตาเผาแล้วละเพราะฉะนั้นเราก็สอนใจมันบ่อยๆ อย่าให้ใจมันมีความเห็นไปในทางสมมุติโลกโดยถ่ายเดียวก็คอยคานมันบ้างคอยเตือนคอยบอกคอยสอนมันบ่อยๆให้มันได้ระลึกรู้ถึงความเป็นจริงพอเราบอกเราสอนมันบ่อยๆความรู้ความเข้าใจที่ใจเนี่ยมันก็จะ มันต้องดีขึ้นแหละทีละหน่อยสองหน่อยก็ยังดีแต่่านที่เราจะรู้ให้มันแจ่มแจ้งที่ใจลึกซึ้งที่ใจเนี่ยความสงบของใจก็ขาดไม่ได้แต่ถ้าใจเรายังไม่มีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งเนี่ยการคิดพิจารณามันก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อนะ แต่ในตำนองกลับกันตอนที่เราได้มีเวลาไปหลีกเลนเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเรานสงบตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเวลาคิดพิจารณาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เนืองๆ เ, เนี่ยใจมันก็จะลึกซึ้งลงไปในความรู้ความเห็นจากการพิจารณา น, นั้นได้ดีมันก็จะไปถึงหนองอ้อนั่นแหละพะมันอ้อที่ใจเท่านั้นแหละมันก็ใช่แหละ ความรู้ความเห็นหลังจากที่เรารู้เห็นมาผิดผิดแล้วเนี่ยพอมันเจอหนองอ้อแล้วเนี่ยมันก็คลายความเห็นผิดมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในใจว่าไอ้ที่เราเห็นความจริงอันนี้มันจริงกว่าจริงกว่าความจริงของสมมติกิเลส ท, ที่มันพาให้เราเห็นเรารู้แบบนั้น มันคอยปกปิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงกับหมู่สัตว์เอาไว้ซึ่งถ้าไม่ได้มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาแสดงบอกสอนก็คงจะลำบากมากที่จะนำพาตนให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ซึ่งถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีพุทธศาสนาแล้วก็คงจะมีแต่เฉพาะ ที่หลุดรอดไปได้ก็คือพวกหมู่พระประเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีอะไรเยอะขนาดนั้นแหละเราก็โชคดีแล้วที่เราเกิดมาในยุคสมัยที่มีคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนก็ยังดีอยู่ผู้รู้ผู้เห็นตามก็ยังมีอยู่ ประทับก็ยังดีครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่แค่ปัจจัยเดียวเท่านั้นแหละก็คือว่าลงมือทําลงมือทําให้มันจริงจังลงมือทําให้มันเต็มที่ให้คุ้มกับเวลาที่เราใช้จ่ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะมันหมดไปเร็วนะหมดไปเร็วแป๊บๆมันก็จากเด็กๆอะ่ะเด็กๆก็ แป๊บๆมันก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยพอวัยรุ่นเรียนจบทำงานมันแป๊บๆมันก็จ ะ, กะเกษียณอยู่แล้วเวลามันผ่านไปเร็วแต่เราจะใช้เวลาให้มันไปในทางแต่คุณประโยชน์ของสมมุติกิเลสอย่างเดียวเนี่ยมันเสียดายเสียดายโอกาสอี่มีค่าที่ได้มาพบเจอพระพุทธศาสนา ที่ได้มาฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่แสดงไว้ดีแล้วแล้วก็เสียดายที่เราปฏิบัติมันไม่เต็มที่ได้รับผลไม่เต็มที่จากการปฏิบัติจากการที่เราได้เวลาได้อัตภาพที่มีมีค่าในช่วงเวลามีค่าแล้นะเพราะฉะนั้นก็ต้อง มีสติที่จะคอยเตือนตนอยู่เรื่อยๆจะให้ใครเตือนมันก็สู้เราเตือนตัวตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เรามีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนมันก็เป็นเรื่องดีแต่เราก็ต้องพัฒนาให้มันไปถึงจุดที่เราเตือนตัวของเราให้ได้อย่างดี อันนี้เราจะได้ชื่อว่าเราพึ่งตนได้ประครับประคองตนได้พึ่งตนแล้วก็พึ่งทมอันนี้ก็ต้องคอยระวังนะว่าเรามีความคิดมีความเห็นที่เราจะออกจากวัตฏะทวนกระแสวัตตะอันนี้กิเลสมันก็ไม่ปล่อยหรอกไม่ปล่อยง่ายๆนะ และกีเหรยมันก็มีเล่เหลี่ยมเยอะเล่เหลี่ยมมันแผรวซึ่งถ้าเราไม่คอยที่จะเท่าทันมันเนี่ย <S <s <ancestors> <S ก็ <Alert> อาจจะเสียท่ามันได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะอะไรโดยมากคนเราชอบบนไม่ค่อยมีเวลาา เราก็มีเรื่องนูนเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยนะเรื่องจอนเข้ามาในชีวิตมันมีเยอะแล้วมันก็ดูว่าจะเป็นเรื่องสำคัญไปซักหลายอย่างหลายแนวดีไม่ดีก็อาจจะเกือบทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าเป็นคนที่เข้มแข็งมีจิตใจเข้มแข็งหน่อยอาจจะไม่ค่อย โดนความสุขในการบีบคั้นก็เอาเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องที่ขัดขวางการที่เราจะดำรงชีวิตมาคอยบีบคั้นเราหน้าที่การงานก็ดีเรื่องปัจจัยสี่ก็ดีก็มาบีบคั้นให้เราเป๋ไปเป๋เป๋เปเปก็คือการที่เราใช้เวลาไม่ได้สัดส่วนนะ พอมันบีบคั้นเราก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเอาไปแก้ปัญหาใจเราก็เหมือนจะหลีกออกจากทางทางของมักมียงแปดไปความเพียรที่เราจะรักษาจิตใจก็โดนแบ่งอาไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาทางโลกไปแต่สำหรับบุคคลที่อาจจะ ไม่เข้มแข็งมากเท่าไหร่ยังอยู่ในเส้นทางที่ว่าความสุขในกลางฉันก็ยังเพลิดเพลินดีแต่นิพพานฉันก็อยากไปซึ่งคนแบบนี้บุคคลประเภทนี้มันก็อาจจะไม่ได้คาดคันบีบคั้นในชีวิตมาก อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับเหมือนกิเลสมันก็เหมือนกับผู้ใหญ่เราก็เปรียบเหมือนกับเด็กเวลาผู้ใหญ่เลี้ยงเด็กเนี่ยมันก็ยังไงเวลาเด็กเริ่มร้องไห้งองแงผู้ใหญ่ก็จำไงถ้าเด็กเล็กหน่อยก็เอาขวดนมใส่ปากเลยพอมันได้กินนมความรู้ความสนใจมันก็ดนเปลี่ยน ตอนเปลี่ยนมาอยู่ที่ขวดนมแทนพออยู่ที่ขวดนมปุ๊บอารมณ์อันเก่ามันก็ขาดไปความสนใจก็กลับมาอยู่ที่ขวดนมแล้วมันก็ทําให้ลืมเรื่องเมื่อกี้ไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าอารมณ์เปลี่ยนไปแหละจากที่เคยงองแงก็มาสนใจอยู่กับขวดนมมันก็เลิกงองแงไปพูดงยก็คือผู้ใหญ่เราก็เล่าหลอกเด็กแบบนี้แหละ เปลี่ยนอารมณ์อันใหม่ให้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยบางทีก็หาของเล่นให้ใช่ไหมสมัยนี้ก็ยื่น iPad ให้ให้จิ้มนั่นจิ้มนี่ให้ดูให้เด็กเพลินไปคิเลสมันมันก็ประพฤติกับเราคล้ายๆแบบนี้แหละ เวลาที่เรายังมีความเพลินความสุขในกามอยู่เนี่ยเวลาที่เรามีความความคิดมีสติที่เห็นระลึกขึ้นได้เห็นภัยในวัตตะแล้วก็มีใจที่เริ่มที่จะทวนกระแสของวัตตะวนอันนี้มันทำไงอ่ะมันก็เอาความสุขทางกามมาล่อลอกเรานี่แหละ อาจจะเป็นงานเอ็นเตอร์เทนก็ดีอาจจะเป็นได้เจอผู้คนใหม่ๆ ม, มีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีงานใหม่หรือมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่าทําแล้วเออมันก็เพลินดีสนุกดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีอาจจะล่าหลอกไปเพิ่มอีกที่ว่าโอ้เป็นกิจกรรมมีประโยชน์นะมีประโยชน์กับสังคมด้วย ทำแล้วก็ได้มีคนยกย่องว่าเป็นคนดีโอ้มันก็หลอกกันหลายชั้นแบบนี้แหละมันก็จะาให้เราได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากความเห็นที่ว่าเห็นภัยในวัฏฏะที่เราอยากจะออกจากวัฏฏะพอโดนไอกิจกรรมต่างๆที่มันผ่านเข้ามาปุ๊บ ใจของเราก็โดนสับสวิตจากฝั่งเห็นภายในวัตะมาเพลินกับการงานเพลินกับกิจกรรมใหม่ๆเพลินกับบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตใหม่ ๆ, ๆก็เพลินไปพอเพลินไปสักพักหนึ่งไอความเห็นที่ว่าเห็นภายในวัตะมันก็มีกำลังขึ้นมาอีกพอมีกำลังขึ้นมาอีกก็ มันก็ต้องสู้กันอีกกิเล่มันก็หาเรื่องมาให้เราอีกแเ้าช่วงนี้อาจจะทํางานหนักจัดหางานหนักๆให้ต้องแก้ไขปัญหาสลับกันแล้วนะสลับแล้วอาจจะไม่ได้เอาความสุขความเพลิดเพลินในกามมาเล่นงานเราอันนี้ก็เล่นไม้แข็งเราหน่อยหนึง่งพอเราแก้ไขปัญหาการงานที่มันเข้ามาในชีวิตอุปสรรคได้แล้วแก้ไขได้แล้ว มันก็ทีนี้พอเราไม่ได้เติมอาหารใจไม่คอยหมั่นที่จะดึงใจกลับมาตั้งมั่นไว้ในภายในว่ามันทีนี้มันจะซ้ำซ้อนแหละเนี่ยหมายความว่ามันหลังจากที่เราได้แก้ปัญหาการงานแก้ปัญหาที่มัน ว, วุ่นวายอยู่ในชีวิตเราได้แล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยใช่ป่ะงารนเราก็พักผ่อนซิ เอาไปเที่ยวไปเที่ยวตามประเทศน่อยผ่อนคลายก็ล่อหลอกเอากรรมเนี่ยแหละมาล่อหลอกอีกหรือไม่ก็เอาไปดูหนังซักซีรีส์หนึ่งเป็นการผ่อนคลายซึ่งพอเราได้เสพขนมหวานแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ติดไงพอติดอยู่นานๆสักพักหนึ่งถ้าให้เลือกระหว่างจะไปนั่งสมาธิ กับหาเรื่องไปเที่ยวหรือว่าหาเรื่องไปดูหนังมันก็จะเริ่มแบบคิดหนักเนหนังก็อยากดูนะไปเที่ยวก็อยากไปเอองั้นสมาธิเอาไว้ก่อนก็ได้วันนี้มันนั่งไปก็เมื่อยอ่ะเมื่อยหลังนอนเลยดีกว่าอ่าจัดเราไป จนเมาหมัดเนี่ยเมาหมัดกันไปแล้วงั้นกิเลสมันมันมันมันไม่ใช่แบบง่ายๆนะมันโอ้โหเล่เหลี่ยมมันแพราว์ๆล่อหลอกจนแบบว่าจนหมดอะจนเวลาเราหมดอ่ะเวลาหมดหมายความว่าความตายมันมาเยือนแล้วความตายมันมาเยือนแล้วก็หมดเวลาหมดเวลาก็ เราจะไปหาโอกาสดีๆอย่างนี้ได้อีกตอนไหนมันก็ไม่ได้ง่ายนะเราก็คาดเดาไม่ได้หรอกกำหนดไม่ได้หรอกว่าเราจะได้พบเจอพระพุทธศาสนาอีกตอนไหนจังหวะไหนจะมีพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะได้เกิดมาได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นองค์หนึ่งองค์หนึ่งเนี่ย ไม่ง่ายเลยแล้วเราจะแจ็คพอตมาอยู่ในจังหวะอันยากๆอันนั้นได้เนี่ยมันก็ยิ่งยากครับอีกยากเป็นทวีคูณแต่เราโชคดีที่เราได้มาอยู่ในจังหวะที่ดีงามมันนั้นแล้วเนี่ยกิเลสมันก็ไม่ปล่อยเราเมันกันมานมันก็ไม่ปล่อยเราเมันกันมันก็ต้องพยายามให้เราใช้จ่ายเวลาของเราอย่างอีรุ่ยฉุยแฉกไป ใช้ใจ่ายเวลาที่จะทำยังไงให้เราไม่เห็นตามความเป็นจริงทำยังไงให้เรามีความสุขเพลิดเพลินไปในกามมีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความคิดที่จะหลีกออกจากการมไม่มีความเห็นที่เราจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความดับของทุกข์ และอะไรคือเครื่องดำเนินนห้ถึงความดำไม่เหลือของทุกข์แต่สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศเอาไว้อยู่แล้วว่าวิยธรรมาสังฆ่าราสังขารทั้งหลายเนะี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะนี่คือความจริงนะอัปามาเดนะสัมปาเดทะ ขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้แหละคืออาวุธที่ทรงประทานเอาไว้ให้อย่าประมาทนะให้เร่งทำความเพียรให้มีสติคอยพิจารณาเห็นไหมว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นก็อีก ไม่กี่วันนี่แหละก็ถึงวันวิสาขะแล้วก็ขอให้คนที่ยังไม่ได้จริงจังไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตั้งใจลงไปปักใจลงไปที่เราจะเดินดำเนินบนเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ดีแล้วได้อย่างดีไม่ใช้เวลาให้ ไปเปล่าประโยชน์เราจะเป็นผู้ที่ขึ้นชู่ว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทต่อไป